ได้ดูคลิปวีดีโอนะจากทางเฟ e บุ o k มีคนเนี่ยเอาปิ้งไก่เนี่ยนะไปให้หมาตัวหนึ่งนะสถานที่ก็คงจะเป็นตลาดหรือก็อาจจะเป็นวัดหมามันค่าปิ้งไก่ได้ก็ก็กรีบวิ่งนะ วิ่งไปไกลเลยทีแรกเนี่ยก็นึกว่ามันคงกลัวหมาตัวอื่นแย่งนะเพราะเป็นหมาตัวเมียในวัดหรือว่าในตลาดก็คงจะมีหมาอยู่หลายตัวตัวผู้ที่แข็งแรงกว่าก็อาจจะแย่งชิงเอาปิ้งไกนะ่จากหมาตัวนี้ไปได้คนถ่ายก็ตามไปถ่ายนะว่ามันวิ่งไปไหนนะไปไกลเลย นะเข้าซอกนัน้นออกซอกนี้นะสุดท้ายเนี่ยก็พบว่ามันจะไปให้ลูกนะลูกยังเล็กอยู่เลยพอลูกเห็นแม่เนี่ยก็วิ่งมาหาแม่แม่ก็คายนะคายปิ้งไก่ให้ลูกกินหมานี่ไม่ได้ตัวแม่นี่ไม่ได้แตะปิ้งไก่เลย มันให้ลูกหมดเลยอันนี้มันก็แส่ในความรักและความเสียสละนะแม้กระทั่งหมานี่มันก็มีความรักและความรักก็นำไปสู่ความเสียสละ ต, ตัวเองอาจจะยอมอดด้วยซ้ำนะมันมีหมาตัวแม่อีกตัวหนึ่งนะที่เยกเสียสละมาก มันเป็นหมาขี้เรือนนะแล้วก็วันหนึ่งก็ไปไปคาบเอาเนื้อแห้งที่คนเขาตากเอาไว้บอกว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนที่ใจคอดุร้ายมากายิงนกตกปลาเป็นว่าเล่นแถมกินหมาด้วยอพอเห็นหมาขี้เลือนตัวนี้คาบเนื้อแห้งไป ชายคนนี้ก็เอาปืนยิงเลยนะหมานี่ฟุบคาที่เลยเลือดนองด้วยความแค้นมากนะผู้ชายคนนี้ก็เลยกะว่าจะจะแล่เนื้อนะหมาขี้เรือนตัวนี้บอกว่าเนี่ยเคยกินหมาธรรมดามาเยอะแล้วยังไม่เคยกินเนื้อหมาขี้เรือนเลยนี่ขนาดนี้เลยนะอันนี้ไม่ได้ทำด้วยความโลภหรือความอยากนะมันทำด้วยความแค้น ก็เป็นความหลงอย่างหนึ่งนะหลงระหว่างที่ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาเนี่ยเพื่อที่จะมาแล่นเนื้อหมาขี่เลือนเนี่ยก็ให้ลูกน้องเนี่ยเป็นเด็กเฝ้าหมาาไว้อันกลัวคนจะมาแย่งมั้งไอเด็กคนนี้ก็ผ่งเอิญก็ไปเห็นเต้นเต้นต้นตะขบนะมันมีลูกเยอะอาก็เลยปีนขึ้นต้นตะขบลงมาจากต้นตะขบก็พราะว่าหมา หายไปแล้วหมาังไม่ตายนะก็เลยตามรอยเลือดไปไปไกลเลยนะบอกว่าเห็นเห็นหมาเนี่ยตัวเนี้ยมันคลานกลับไปที่หลังของมันแล้วก็มีลูกหมาตัวเล็กๆห้าตัวเนี่ยวิ่งเข้ามาดุมล้อม เด็กก็เห็นกระตายเลยนะว่าหมาที่ถูกยิงเนี่ยนะมันกลับไปเนี่ยเพื่อจะไปให้นมลูกขนาดตัวเองจะตายอยู่แล้วนะก็ยังนึกถึงลูกเลยก็คนะงนึกนะว่าถ้าตัวเองตายนี่แด้ลูกไม่ได้กินนมแม่นี่ลูกคงแย่แน่แน่ก็เลยนะก็เสือกกสนคงรู้นะว่าเป็นการให้นมครั้งสุดท้ายนะ ลูกเนี่ยก็ไม่รู้อีหน่อยไม่รู้เรื่องแรงสิ้นนะไม่รู้วาแม่เลยตายก็เข้าไปกินนมแม่เนะห้าตัวสักพักเนี่ยชายคนที่ยิงหมาตัวนี้ก็ตามมาถึงพอเห็นพภาพนี่ก็อึ้งเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันไม่ใช่หมาขี้เลื่อนที่ขโมยเนื้อแห้งของเขานะแต่มันคือแม่นะที่มีน้ําใจประเสริฐมาก ต, ตัวจะตายแล้วก็ยังนึกถึงลูกแล้วก็ยังพยายามที่จะกระเสืกกระสนเพื่อให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยเพราะว่านับแต่นั้นมาในชายคนนี้แกลเลิกเลยนะเลิกยิงนกตกปลาแต่ว่าแต่เลิกยิงหมาเลยนะสัตว์ชนิดอื่นก็เลิกยิงเหมือนกันเพราะว่าประทับใจแล้วก็เรียกว่าสะเทือนใจนะ สะเทือนใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปก็คงได้คิดนะว่าที่ตัวเองไปยิงลกตกปลาเนี่ยมันก็คงทำให้อาอาจจะอาจจะยิงแม่นะที่กำลังมีลูกน้อยอีกหลายตัวอันนี้ก็เรียกว่าได้คิดได้สตินะเห็นทมเนี่ยจากหมา หมานี่มันสอนทำได้นะเช่นเดียวกับสัตว์เดรัชานทั้งหลายเนี่ยก็สามารถจะสอนทำสอนให้เห็นถึงความรักของแม่ผู้ชายคนที่ยิงหมาขี่เลือนตัวเนี่ยนะก็คิดว่าเขาคงจะรักแม่มากขึ้นด้วยเพราะว่าเห็นถึงน้ำใจหรือความเสียสละของแม่ แม้กระทั่งเดรัชา น, นี่มันยังขนาดนี้แล้วคนนี่จะขนาดไหนกานะรทำ ม, มาเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะเห็นได้หรือรับรู้ได้นะจากการอ่านพระไตรปิฎกหรือจากการฟังคําเทศนาของพระนะของครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งพระดยาจเจ้าเท่านั้นนะแม้กระทั่งสัตว์เดรัชา น, นี่มันก็สอนทำให้กับเราได้ ถ้ารู้จักมองไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักความเมตตาความเสีสละนะศาสตร์ที่สอนอย่างอื่นได้อีกเยอะนะอย่างทีพ่พระเจ้าเคยพูดถึงผีเสื้อนะว่าผีเสื้อเนี่ยมันต้องอาศัยนะมันอยู่ได้ก็เพราะน้านนะํานะหวานจากดอกไม้นะผีเสื้อนี่ก็ต้องไปดูดน้ําหวานจากดอกไม้ แต่ก็ไม่เคยทําให้ดอกไม้นี่บอบช้าหรือว่าเสียสีเลยดอกไม้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮีเสื้อก็อยู่ได้นะพ่ออาศัยการพึ่งพาดอกไม้โดยที่ไม่ทําให้ดอกไม้เดือดร้อนเนยะอันนี้ท่านพูดเพื่อที่จะสอนสอนพระว่าพระเราก็ต้องพึ่งญาติโยม น, นะแต่ก็ไม่ควรทําให้ญาติโยมเดือดร้อนนะที่จริงก็สอน คนด้วยแหละนะคนก็ต้องพึ่งพึ่งพาธรรมชาติแต่ก็ไม่ควรทําให้ธรรมชาติเนี่ยเดือดร้อนหรือถูกทําลายไปด้วยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยแต่เป็นพ่อคนเราสมัยนี้เราไม่ค่อยได้ตระหนักว่าเราต้องพึ่งพาธรรมชาตินะเราก็เห็นธรรมชาติเป็นเพียงแค่วัตถุสิ่งเสืหรือสินค้าที่จะมาสนองปลนเปลือยความอยากหรือทำำาํากําไรกับมนุษย์ก็เลยทําลาย อันนี้เพราะเราไม่ได้เรียนรู้จากธรรมชาตินะ้นเราอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีธรรมชาติอยู่รอบตัวก็มันนะเปิดใจนะรับรู้รับฟังแล้วก็ใคร่ควรธรรมะที่ธรรมชาติ น, ะนานาชนิดได้สื่อให้เราด้วยอ่าแล้วก็เตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมพังคอยแต่ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว อิปามีวาสมชาชัตุตองสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกปะอ้อความดำรีทั้งพวงจองเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระจันนในวันเพนมณ น, นิโชธิระโสยาทาเหมือนแก้ม น, นีอันสว่างสวายควรยินดีสาพพิโอวิวาชนโตค่านจ่นายทั้งพวงจองบามราชไป สาพาโรโควินาสาตุโรคท้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัฏวันตรารโย อ, อันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสีเิสานิจังุทาัจายนโนจัตตารโรธรรมาวาทานติอายุวันโน ส, สุขังพลัง สาสี่ป่าการคืออายุวันณาสุขหาพะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนี้อาวาตุสพัพพมาณค a ง a อสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคนตุสัพพะเทวตาพเพล่าเทวดาตั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาภูธานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังขานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งภาสองสาธาโสธิภาวันตุเตหภาสวัสดีท้งหลายโงมีแก่ท่านดูงเมื่อเ